คืนว่าบอกกับผู้อํานวยการย่าท่านพูดนะต่พูดมากหายชาเลยนาะงพยาบาลก็เอายานอนหลับให้ฉันฉันยังไงก็ไม่หลับเดี๋ยวมาฉีกงงเนี่ยฉชกก็ไม่หลับแล้วยังไงเพราะอะไรพระสติเราดีไม่หลับหรอกเพราะอยากจะเจอโยมเขาแล้วที่โยมมาเยอะเป็นหมืนม่นๆนะตอนที่จะมาไปอยู่โรงชยาบาลได้เงินตรงสองแสนกว่าบาท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 นี่ใช่ไหมเนี่ ย, ยมือท่านใช่ไหมเอ๊ยยอมเปล่าไม่เคยเขียนแต่เรารู้ตัวว่าเราแผ่ไม่ตาไปขอลาเขาเป็นตัวสื่อได้ น, นะขอฝากไว้ด้วยนะเป็นได้ น, นะเป็ได้ น, นะเรียกว่าโทรจิตเลยยมชานก็เอาใจใส่เป็นพิเศษแล้วในเวลาการต่อมาก็มาทำบุญรับมิ่งจริงฝันให้นในนามสกุลของเตชะไปบุญก็มากหลายคน ทำบุญล้วขวัญให้แล้วเนี่ยเมื่อทำบุญล้วขวัญแล้วเอาสือมาด้วยตัวซสือหายไปแล้วเดี๋ยวนี้เขายังเก็บประดาษไว้เลยเนี่ยเก็บกระดาษใส่กรอบไว้นะถามพระรูด้าชาญกรสีธิภาเนี่ยมันเป็นได้ไหมเนี่ยแล้วทีนี้ตา ม, มาพูดมากเขา่าเลยหมอก็ตองหลอกอาตมาว่าหลวงพ่อไปโรงพยาบาลเลือดสินเถอะเขาจะเอาเฟือกออก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 เห็นเนผิดเป็นถูกไปเกิดที่ผิดที่ผิดรละการที่ห้าอายุปาะวานตรายเกิดตรายปัจจุบันเนี่ยคือหนึ่งวงจากพ่อแม่สองจ่วงจากครูมาอาจารย์สอนเนี่ยเป็นตรายก็ยกตัวอย่างให้เห็นชดัดหรูอเรื่องหนึง่งมีวิลัยครูเทสตีมาที่นี่เมื่อก่อนนี้จะมายังไม่ได้ห้ามเขาเล่นกองไฟลูกเสือที่หลังวัดเองเล่นกองไฟนักศึกษาชาย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 อย่างเนี้ยอยางขอฝากก็ด้วยเนี่ยเถียงพ่อเถียงแม่ทำไห้ตกฟากอย่างแล้วทำให้พ่อแม่นางตาน้ำตาไหลเพราะลูกคนนี้รับรองไปอันตรายแล้วธรมากินไม่คืนเรียนซื้อไม่เก่งเนี่ยครูคนนี้ยังอยู่เนี่ยมาแล้วนี่ก็มาที่นี่ที่โดนชกนี่วิญยาครูเทศจิตีเนี่ยเป็นพยานได้เลยเลยเด็กคนนั้นมาพอเจ็ดวัน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 ต่อมาบอกหนูเป็นใครบอกหนูเป็นลูกเนี่ยมาทําไมมาขอเงินแม่สี่หมื่นไปพิมพ์หนังสือแม่ก็ร้องไห้บอกว่าหลวงพ่อคะลูกคนนี้หมดนาไป 8, แปดลอยไปร้ยไร่นี่บีเอมยังส่งไม่หมดเลยนี่มาขออีกสี่หมื่นแลเนี่ยบอกหนูดีแล้วมาซัพพ้าใแม่หน่อยอุจละเต็มหมดเนี่ยแม่ไปเอามาผ้าไปเอามาผ้านอนจมอุจละเหม็น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 เยะรเรื่องมเยอะนักเรียนมีอะไรถามหลวงพ่อไหมครับนี่อาจารย์เอาหนังสือแจกด้วยหนังสือมารยาทยถา้าโดยล่เหตุผลบางทีมีพระอาจารย์บางองค์ท่านบอกสวตดตัดกรรมได้จะไม่มีเวรกรรมต่อไปไม่จริง